แจ็คคนโง่โอ้เจ้าหญิงฉันขี่ม้าพวกนี้ด้วยตัวฉันเองโอ้ว้าวฉันตื่นเต้นมากๆแล้วทำไมมาถึงให้เธอขี่มาแต่งงานกับฉันล่ะกเออ็เธอคือเจ้าหญิงเครื่องประดับพวกนี้วังนี้ ความร่ำรวยเป็นของเธอไม่ใช่เหรอโอ้ทำไมาได้คอยเขาพูดแบบนั้นเลยนะเอออะไรมันช่างโรแมนติกแบบนี้เจ้าหญิงผมขอแค่มือของเจ้าหญิงในการแต่งงานแค่มือของฉันเหรองั้นส่วนอื่นของตัวฉันก็เป็นโสตนะสิแน่นอนเ อ, เ อ, เอ๋อะไรนะเอิ่มเอเจ้าหญิง ตอนนี้ถึงตอนที่คุณต้องตอบตกลงแล้วสินี่คือตอนที่คุณจะได้ยินเสียงที่ไพเรอะของฉันตอบว่าไม่ไม่ไมออรอ ก, ก่อนสิ อ, อ, อ้อฮาเซลลูกคือลูกสาวของกาสอดนะพ่อก็พูดได้ว่าลูกเป็นลูกสาวของพ่อมันเป็นเรื่องที่จำง่ายมากก็พ่อหมดปัญญากับลูกแล้ว ลูกต้องแต่งงานกับใครสักคนลูกได้เจอลูกคนน่ามากมายแล้วนะเอ๊ะท่านพ่อลูกไม่ต้องการแต่งงานกับใครก็ตามที่ต้องการเพียงแค่มงกุดของท่านลูกอยากแต่งงานกับคนที่ชอบลูกเพราะลูกเป็นลูกเท่านั้นคนที่ทำให้ลูกหัวเราะได้ลูกเบื่อจะตามกฎของพ่อแล้วกฎการแต่งงานกฎการไปเที่ยวการพูดการเดินเออ แต่นั่นคือสิ่งที่เจ้าหญิงควรจะเป็นนะไม่ใช่ทั้งหมดลูกขุนนางพวกนั้นที่ท่านพ่อพามมาผู้อวดรู้ลูกต้องการคนทั่วไปที่ซื่อสัตย์และไรเดียงสาเหมือนกับเด็กๆมีจิตวิญญาณที่ดีและที่สำคัญเขาต้องไม่อายในสิ่งที่เขาเป็นลูกต้องการแค่นั้นลูกรู้สึกเหมือนถูกขังไว้ที่นี่ ลูกต้องการคนที่ตลกและสามารถทำให้ลูกเต้นได้โอ้งั้นพ่อคงต้องหาตัวตลกมาให้ลูกแล้วยดันแขนเรียกผู้ชายคนถัดไปมาเลยขอดูก่อนนะพะยัค่ะโอ้เออเออขอประทานอายฝฟาบาทแต่ว่านั่นคือหมดทุกคนแล้วเจ้าหญิงได้พบกับชายที่มาทั้งหมดแล้วฮอเป็นไปได้อย่างไรเนี่ย กระหม่อมก็สงสัยเช่นกันฝ่าบาทหลังจากที่เธอได้พบพวกเขาทั้งหมดเป็นเดือนแล้วนะนี้โอ้ oh. <laughs> ฉันชอบอารมณ์ขันของคุณนะแดนแคนโ <laughs> อ, อ้ด้วยความยินดีเจ้าหญิงอยากจะได้ยินเรื่องตลกอีกไหมผมเป็นคนตลกโ อ, อ้อะไรเนี่ยไม่ๆม่มสนใจเรื่องสำคัญกันก่อนสิ เราควรจะเรียกใครมาถลกคุนดังเหล่านี้ถูกปฏิเสธไปเออเ อ, อ่ อ, อกรงมอเกรงว่าตําแหน่งนี้จะเปิดให้กับเ อ, อ, เ อ, อประชาชนทั่วไปโอ้ดีอะไรจะแย่กว่านี้แล้วโอเคดันแขนประชาชนธรรมดาก็ดได้อ่ะเฮ้มอ่ะเฮ้มฟังนะทุกคน เจ้าหญิงได้ปฏิเสธลูกขุนนางทั้งหมดตอนนี้ก็มาถึงกราวประชาชนทั่วไปมีโอกาสทดสอบตัวเองแต่มีข้อแม้ว่าต้องเป็นคนที่มีการศึกษาและแต่งตัวดีที่จะได้เข้าวังเท่านั้นพรุ่งนี้เจ้าหญิงจะเลือกสามีของเธอเมืองต่อไปนี่คือเวลาสำคัญลราคิดดูสิเราจะร่ำรวยมากแค่ไหนถ้าเจ้าหญิงเลือกลูกคนไหนคนหนึ่ง ลูกทั้งสองมีความรู้และแต่งตัวดีไม่มีใครแพ้กันเลยนะใช่ไหมเล่าโอ้แน่นอนท่านพ่อมีการศึกษาหรือที่ท่านพูดผมรู้เรื่องกฎหมายเหมือนรู้เรื่องตัวเองเลยส่วนผมรู้เรื่องภาษาลาตินนะภาษาอื่นๆด้วยนะใช่ผมยะปงปากถ้กอยได้ผมหมอนโยนและหล่นนะ แน่นอนลูกทั้งสองของพ่อไม่มีข้อสงสัยเลยไปเตรียมตัวกันเถอะวันพรุ่งนี้เย็นหนึ่งในสองคนที่จะต้องเป็นสามีของเจ้าหญิงแน่นอนอุ้ยอุยระจไปที่ดวงจันโออ๋ออท่านอาจะรได้ยินฉันผิดละฉันบอกไปดวงจันเจ้าโง่แต่แค่นี้ก็สนุกดีนะกลับมาเร็ว ลูกชายสุดหล่อของพ่อทั้งสองไปเอาเจ้าหญิงมาให้ได้นะพลอพ่ อ, พอไปกระเธออีริกโอ้สุดฉันโอ้ฉันใช้บทเรียนกับนายเรื่องนี้พี่ชายฉันจะไปไหนแล้วเนี่ยมีอะไรพิเศษเหรอดีที่น่ยสังเกตฉันตองแต่งตัวเหมือนไปงานสำคัญใช่ไหมล่ะฮะไม่อยากถามหรอก เพราะว่าผมนายดูตลกอ๋อนายทำสุดฉันพังพวกเรากําลังจะไปที่วางสายนะโอ้แล้วทำไมถึงไปที่วงังบอกฉันหน่อยสิเจให้พวกเราไปเถอะเราไม่อยากจะมีวันที่แย่พร่ำนายนะทำไ ม, มาถึงไม่บอกฉันก่อนนะไม่เอาหน้าถ้าเป็นน้องพวกพี่นะใช่ไหมเล่าใช่แล้วลูกเป็นน้องพวกเขา เพราะอย่างนี้ไงลูกถึงต้องลงมาแล้วให้ปีชายลูกไปชนะใจเจ้าหญิงเธอจะเลือกสามีวันนี้เลามาเดี๋ยวนี้เลยห<ฮ>ป่วยกระถางอริกลากรลูกชายโอ้ท่านพ่อโปรดให้ลูกไปด้วยเถินนะได้โปรดได้โปรดเพื่ออร่อยเพื่อชนะใจเจ้าหญิง ให้ผมชนะเธอผมต้องชนะมันเป็นคำอุ ป, ปมาเจ้าโง่ลูกไม่จะเป็นตกชนะใจเจ้าหญินแค่ให้เธอเลือกลูกแต่เธอจะเลือกผมแล้วพ่อก็พูดตลอดว่าลูกควรจะตั้งตัวได้แล้วท่านหมายถึงจิตใจสานึกของนายโทษท่านพ่อไม่ปรดให้ลูกไปเถอะอ้ยก็ได้เอาไปจากเท้าฉันแล้วก็ไปซะ อันในคิดว่าฉันควรโชว์ตัดเย็บตอนที่เข้าวางไหมไม่ฉันเพีย่ยนั่นคือไพ่สำคัญนะเียนโชว์ความสามารถทั้งหมดทันทีพี่ต้องเริ่มจากเ อ, อ่อเรื่องความรู้กฎหมายและคนที่ทำให้เธอเข่า อ, อ่ <c oughs> <c oughs> อาสวัสดีพี่ชายโ อ, โอ้ผลไม้นี่แหละที่ฉันต้องการโอ้ฉันเห็นว่ากำลังหาอาหารข้ามให้ตัวเองนะประเด็ที่ดีนะน้องชาย พี่ตลกดีนะโอ้ไม่นี่คือภรยาฉันในอนาคตหมายถึงเจ้าหญิงอร่อยนะอะไรนะนี่นายจะไปที่วางด้วยละ่ะอ๋อใช่แน่นอนก็นั่นเป็นที่ที่เจ้าหญิงอยู่นี่ถูกมก เราหน่อยจะให้สิ่งนั้นกับเธอผลไม้เน่าเนี่ยนะก็มันไม่สุภาพนี่ถ้าจะเข้าวางโดยไม่มีอะไรให้เธอเ อ, อก็ใช่อะพลไม้นั่นเน่าอาจจะเป็นของขวัญที่เน่าที่สุดนายทำได้ดีนะน้องชายเดวเ็วเข้าอย่าไปสายล่ะพี่ชายดูสิฉันจะอะไรอะอ๋อค่อยเป็นสมองมก็เถอะนะรองเท้า นี่นายจะทำอะไรกับมันนะฮะ่พี่ไม่มีทางรู้หรอกฉันอาจาต้องใช้มันโอ้ใช่เจ้าหญิงอยากได้รองเท้าเก่าขาดถ้าเจ้าหญิงทำรองเท้าที่แผ่นของเธอหายละ่ะนา่ได้ยินไหมฉันไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยเขาฉลาดจัไม่นานหรอกฉันจะหาของมาเพิ่ม <S <S พี่ชายดูสิฉันมีอะไร โอ้ไม่นาอีกแล้วอีกแล้วเหรอเนี่ยดูสิ่งสกปรกไปจากฉันนะโคลนโคลนแล้วเนี่ยนี่นายไปอะไรพี่ไม่รู้หรอกฉันอาจต้องใช้มันสักครั้งเฮ้ยไปกับเธอนะี่น้องชายก็จะมีใครเห็นเราอยู่กับเขาโอ้โอ การแข่งขันเริ่มขึ้นแล้วยี่ห้าโอ้ดูสิเนิ่นดูเดี๋ยวก่อนอะไรเล่าฉันมีการศึกษานะรองเท้าในเปื่อนโคลนนายเอาไปจากที่นี่ก็ถัดไปโลโลโลโลโลดีบอกฉันมาสิ ทำไมนายถึงเหมาะกับการแต่งงานครั้งนี้เพราะว่าห ม, มฉันเป็นผู้ชายแล้วท่านเป็นผู้หญิงยังไงละ่ะโอ้ขอบใจมากเลยนะฉันว่าจะไว้หนวดเดวเดวนี้แค่นั้นเองเหรอไหนไม่ต้องการความมั่งคั่งเหรอโอ้จะเป็นพระราชาได้ยังไงถ้าไม่มีความมั่งคัง่งฉันหมายถึงพวกเธอต้องตายเร็วๆนี้แหละอะไรนี่ออกไปจากวังข้าเลย โอ้ไม่ท่านพอ่อท่านพ่อไม่อยากรู้เหรอว่าลูกรู้สึกยังไงเออก็ได้ลูกแล้วลูกรู้สึกยังไรกับชายคนนี้ไม่ไม่เหรออะไรเนี่ยต้องทำแบบนี้ด้วยเหรอใครก็ตามที่ถูกปฏิเสธจะต้องถูกโยนลงคางคนถัดไปคุณฮาร์แฮ ม, มิงเวย์มีความสามารถมากมายเป็นนักวิชาการด้านภาษาละติน ดีมากงั้นแต่งกรอนละตินให้ฟังได้ไหมอ้อโอโอโอโอโอฉันไม่ โ, โ y y na, so exactly? อโอูอโอโอโอโอาอโาโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอวอโอโอโอโอนอโอนอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอออโอโอโอโอาอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโอโออโโอโอโอโ ไม่ไม่อีก้มิวบอรอีมิงโก้เขาพูดว่าอะไรนั่นกลอนเหรอคือเต้าหญิงเขาบอกว่าเขาจะฉี่รถกังเกงไปยะค่ะอีย้อนเขาออกไปเดี๋ยวนี้ไม่ไมม่ไมไม่ซ ส, สุดช้านเอยลูกเบื่อลูกไปเดินเล่นได้ไหมไม่ลูกรัก ยังมีคนอีกเยอะที่รอนะคนถัดไปคนถัดไปเอริกเอ ม, มิงเวย์เขาเป็นพี่ชายหารดเฮมิงเวย์และเป็นผู้รู้ด่านกฎหมายออเอ อ, เ อ, อคือคือเ อ, อกดกดกดกฎหมายเออนังสือเก็บกฎหมายมันสําคัญที่จะเก็บหนังสือเอออะไรนะเออฉันเบื่อเต็มที่ถัดไปมามไ ม, ไม่เดี๋ยวฉันไว้นะไม่ไป น, นะ แต่ฉันเย็บผ้าได้อะขอฉันเย็บผ้าได้ไหมอนี่มันฆ่ากันชัดๆเลยเงียบนะน้ำไม่ได้ลึกพอจะฆ่านายแล้วหนาอ้โอเดี๋ยวก่อนรอก่อนเจ้าแก่ง้อโอ่โโอ้สวัสดีพี่ชาย ทำอะไรอยู่นะครเ อ, อ่อพี่คือพี่พี่ต้องเ อ, อ่อแจ็คส่งมือมาหน่อยเกิดอะไรขึ้นทหารจับพวกเขาเลยเออโทษทีพี่ชายเออฉันต้องไปแล้ว <c oughs> เ, ออเดี๋ยวเดี๋ยวแจ็คมามาไหมทหารจับพวกเขาเลยทหารอย่าจับเขานายคือใครอเออฉันคือแจ็คเนะี่ย เธอใส่ชุดสวยจังเลยใครออกแบบวะแล้วเต้นกับฉันเออจะได้ไหมคุณผู้หญิงโอ้แน่นอนออฉันสนุกมากนี่มันดีมากมากเลยดีหรอนี่นายเป็นใครกันเอาจะว่างไปเดี๋ยวนี้เลยไม่ท่านพ่อหยุดก่อนลูกมีอะไรจะพูดลูกตัดสินใจแล้ว ลูกจะแต่งงานกับเขาไ ม, ามา่เธอสวยนะเจ้าหญิงฉันมาที่นี่เพื่อเห็นเจ้าหญิงแค่นะั้นฉันขอโทษจริงๆนะมองไปรอบสิคิดว่าตัวเองเป็นใครโอ้เธอเธอคือเจ้าหญิงฉันตกลุมรักเจ้าหญิงโอ้เป็นโอกาสดีอะไรอย่างนี้ใช่โอกาสดีอะไรอย่างนี้โอยฉาตกเสียใจทีหลังแนะ่ คุณนางเตรียมจัดการแต่งงานลูกสาวเฉลึกสามีของเธอได้แล้วล่ะเห็นนั่นไหมฮานเป็นโอกาสดีอะไรอย่างนี้โอ้มันยุติธรรมมากพี่ชายเท้าที่เราเคยคิดว่าแจ็คน่ะเป็นคนโง่เขาก็เป็นไม่ใช่ล่ะเขาอาจจะเป็นคนโง่สำหรับเราแต่ไม่ใช่กับคนอื่นนะ คนอื่นอาจจะมองต่างออกไปมันเรียกว่าก็ยกเว้นแล้วแทก็กก็ไม่อายที่จะเป็นตัวเองเขารักตัวเองเนอะและสิ่งนั้นแหละมันเป็นสิ่งดีที่สุดเมื่อเรารักตัวเองเราเรียนรู้ที่จะอยู่นะใช่เอาไปจากน้ำนี่กระเถอะฉันหนาวแล้วน้อง